การปฏิบัติก็เหมือนเหมือนกับที่เขาทำสวนทำของภายนอกคือธรรมดาก็เขาปลูกต้นมาปลูกเพื่อผ ล, ผลต่างๆสมมติว่าปลูกใ้หมางน้ำเต้าหรือน้ำเต้าก็ดีฟักแฟงก็ดี เอาสมมติเราพักพักพักท้องออกันเดี๋ยวไปเข้าเมเ็ดเลเามาปลูกกองขี้ดินมันก็ขึ้นที่แรกมันก็แตกออกไปนิดเดียวแตกแยกออกไปแล้วมันก็เป็นใบเป็นต้นเป็นลำต่อไปต่อแล้ก็เป็นแบบยืดยาวไปทั่วมดคลุมมดเลย นานนะเขามันก็เป็นลูกเป็นผลไอ้มเมล็ดมันก็เกิดขึ้นมาวัในผลนั้นนนัน้มันแก่มาแล้วเขาก็เอาเม็ดเก็บไว้เอาไปปลูกอีกเอาเมล็ดเอาไปปลูกอีกมันก็แย่ออกมาแตกตออกมามีใบก็มีเครือเป็นต้นเป็นเครือไป จกระทั่งเป็นลูกเป็นผลแก่มากกว่าเนตมันแก่มาแล้วก็เอาถึงว่าคนไม่กินมันก็เปลือยเน่าไปเองอันในเนื้อหนังของของเนื้อของลูกของผลเนี่ยเปลือยเน่าปุปฟังไปเองแต่เม็ดมันยังเหลืออยู่อันนี้โอ้หมาเปรียบเราผู้ปฏิบัติกรรมฐาน ก็ทำน้องเดี่ยวกบนั้นเดีย๋ยวนี้เราแก่แล้วแต่ไม่ทันเป็นเม็ดเป็นเม็ดมาแย่งว่นทันมีผลว่า ไ, ไม่ทันเกิดเถื่อะไม่ทันเกิดก่อนคือว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดจากเม็ดจากเม็ดเล็กๆน้อยๆนะเกิดมาเป็นแตกแง่วมาเบื้องต้ น, ตน ความโกรธความโลภความหลงความลักความชามังทิฏีวมาหน้ามันก็ไม่มีก็เหมือนกับฟักทองอันเนี้เกิดมาทีแรกมาเห็นหรอกลูกก็ไม่มีผลก็ไม่มีเม็ดมันก็ไม่เกิดจนงระทั่งมันเติบโตขึ้นมามันแก่มาเม็ดเม็ดเจ้าไม้จา ก, าจากไหน มลมาเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบแ่ผลนี่นเกมาแล้วก็เป็ น, มนเมล็ดเมล็ดจจนั้น่ไม่จะไปเพาะอีกต่อไปเหมือนกับกิเลสของคนเราแต่ก่อนมาก็ไม่ทราบว่ามาเกิดมาจากไหนกิเลสน่้นฝังอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัว จงกระทั่งเติบโตมาความรักความชังความเกลียดความโกรธหรือความอาลัยอาวรณ์มากขึ้นทุกที่ทุกทีจนกระทั่งคลุมมดไปทางไล่ไปคือมันยืดยาวไปครอบมดเลยคนผู้ที่หลง ม, มัวเมาไม่เข้าใจถึงหลักของธรรมมาก เป็นคดขวาหาธรรมะเลยไปหลงตามเครือ ท, อ, คทอที่มันคุมวัดและทางกุฏิไอ้ท้งวัวไรนั่นเองหอ้าไปเฉยก็ไม่ถึงที่สุดยืดยาวไปต่อดเวลาผู้มีปัญญาท่านสาวหาต้นมนต้นมาอยู่ตรงไหน สาข้าไปสาข้าไปเลยไปครอบต้นมันนิดเดียวอันนเดียวนิดเดียวเท่านะไม่ค ว, คว้มครอครับเมื่อจะถอนก็ถอนรากมันถอนเงามันขึ้นมาเมื่ถอนก็ไว้นั้นเรากินมากกินคนมันจะก่อนกินลูกมันจะก่อนถึงกระทั่ง อีกนามสำดานเพียงพอแก่ความต้องการยันน่าจะถอนทิ้งถอนล่ากมันหมดเลยทำไมต้องไปตัดยอดมันที่อื่นตายมดคนไม่เข้าใจต้องการอยากจะดับต้องการอยากจะจำลาต้องการอยากจะข่ามัน ไปเด็ดอ น, นุ่นยอดมาทนอันที่มันเลื่อยเลยยาวขึวนเด็ดอันสองสวรรค์เกิดขึ้นมาอีกเหยอดงอกขึ้นมาอีกอันทีสองสวรรค์งอกขึ้นมาอีกเลไม่ตายตายไม่เป็นกี่เด็ดของคนเราเหมือนกันเหตุ น, นั้นจึงอธิบายฝังว่า ต้นต่อของมันของจิเลดคือใจอย่างที่อธิบายให้ฟังใจคือความเป็นกลางวางเฉยๆตั้งเป็นกลางวางเฉยๆไปหนอยให้เห็นตัวกลางเสียก่อตัวกลางนั้นแะเป็น บ่อเกิดของสิ่งที่ปวดงมดถ้าเราวอาเป็นกลางไปแล้วรือมันคิดมันนึกมันส่งมันสายอันนั่นมาใช่ใจแต่เป็นกิเลสพูดง่ายๆว่ากิเลสถ้าพูดตามนั้นเรียกว่าจิตมันคิดมันนึกมันส่งมันสายได้ต่าง มันปรุงมันแต่งสัญญาลมมันเกิดขึ้น ม, นะมันเป็นเรื่องของกิเลสท้าหากจับต้นตอมันได้คือความเป็นกลางเอา็จแล้วสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาเกิดจากตัวกลางนั่นแหละที่มันยืดยาวคว้างกว้งไปก็เกิดจากตัวกลางตัวเดียวนั่น ที่มันเกิดมาำไม่เกิดมาากไม่จะไงหรอกนะฮเข้าถึงหมดเรื่องที่มันไม่ถึงตัวกลางสักทีเลยดิหาเดชยอดมม่อยู่มันงอกขึ้นมาเรื่อยไม่เข้าถึงตัวกลางสักที มันเข้าถึงตัวกลางแล้วน่ะที่เหืทั้งหลายเห็นหมดมันออกไปจากนี้ทท้งนั้นแ่ละไม่ออกไปที่อื่นหรอกความโลภความโกรธความหลงังกต่างสา ร, รภาพทุกอย่างคิด ท, ทีมานาสารภาพทาั้งหลายความรักความชังควาเงินกัน มันเกิดจากตัวกลางแค่นั้นมันไม่มีวิดามารดาไม่มีญาติพี่น้องหรอกญาติเดศอย่างนั้นไม่มียาเมันโกรดให้เขาตีเขาตีที่ตาเขาเานี้ยต้องมีใครมาช่วยมั้ยนอะเมื่อโกรธคือเอบคุ้มโกรธแต่เป็นฆ่าเองเขาก็ดี ความกรนั้นเราไปรักไปชังเขาไปดีรักกับความโกรธน่ะชังกับควโกรธน่ะรักกุกความพอใจน่ะความยินดีน่ะโกรธกับความไม่พอใจความไม่ยินดีเน่ะแต่ว่าใครเป็นญาติเป็นพี่น้องเขาไม่มีถ้าจะว่ามีก็มีหรอก ความโกรธเกิดจากความดำริผิดนั่นเรียวกว่าต้นตอของมาันโยตบิดาบันดาก็ได้ความโกรธนั่นจากไม่อใจ น, น, นั้นจะเรียกว่าวิดาบันดาเมื่อกูทุความโกรธเกิดขึ้นมาความไม่พอใจเกิดขึ้นมา ประหรัตปรหารข่าวฝันคนอื่นกระได้ข้องโกรธมันไม่พี่มีน้องอย่างอธิบายฝักใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก็ไม่สาบไั่เกิดไม่จ่ายอะไก็ไม่สาบทาี่ทั้งเนียว่าอวิชาอะไรเป็นต้นเหตุวิชาน้นมีต้นมีปลาย ไม่มีที่ไม่มีต้นไม่ปลาคือความไม่รู้จักต้นจากปลาของในวิชชานี่มันโกรธขึ้นมาแล้วเวลามันหายไปไหนมันต้องไม่มีที่อยู่อีกอล้ว้าหากือมีที่อยู่ต้องโกรธมันหายไปได้มันไปอยู่ตรงไหนเป็น บา น, นเป็นเรือนอยู่มีพี่มีน้องอยู่โอ้ยโลกวันนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่หรอเต็มความรักกลมกันเวมันเกิด ม, มันเกิดมาจากยังไงถ้าเกิดจากความพอใจความยินดีความพอใจแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาในเวลามันหายไปไหนไม่สาบไปอยู่ไหนถ้าหาก็มีที่อยู่แล้ว มีบ้านมีเรืออยู่คนเราอยู่ไม่ได้วความรักกับความงดิเตบมมดในโลกอันนี้แต่ความรักเรือความชังความเกลียดโวามโกรธหายไปเงียบไปงานมันเกิดเกิดขึ้นใหม่ท่านยังให้รู้เท่ารู้เรื่องของสิ่งทังหลายเหล่านี้ ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาถึงต้นต่อของมันคือกลมเป็นกลางมันออกไปจากกลางนะนั่นแหละต้นต่อของมูลเหตุของกลมเกิดออกไปจากกลางนะความเป็นกลางนี้เสียก่อนเวลาที่โกรธปุ๊บขึ้นมามันเอเดียงไปแล้วเวลาทีนละเย็นเยียงไปแล้ว ความรักกับความโกรธมันอยู่คู่กันโดยใจเป็นกลางคณะหามันโกรธกร็เกิดความรักอะไรความฉันขึ้นมามันรักมันเกิดความรักมันก็ขึ้นมาจา ก, ก ค, ความชอบใจเกิดเพราอย่างนั้นแหละความกลางนี่แหลความเป็นกลางอั้นมีที่เกิดของมันอยู่ตรงนั้น ไม่มีวิดามันดามีญาติีพี่ น, น้องเข้ามาน้องมันมเกิดมาจากไหนก็ไม่ััวบถามีต้นมีต่อถ้า ม, มีต้นมีปลายผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายรู้เท่ารู้เรื่องของกุโกดพอความไม่พอใจความรักพอบความพอใจ คามที่ไปยึดเลือกเป็นเรื่องใหญ่ตัวฐานขยายก้วงขวางออกไปถ้าไม่ยึดถ้าไม่ไปยึดไปถือมันนั่นก็หายไปนั่นเรียกว่าที่สุดของความถือความยึดความถือถ้าไม่ยึดไม่ถือก็หมดหมดหมดเพียงแค่นั้น เลนเป็นลมแรงไปเลยไม่อยู่ในตัวของเราหายไหนกันไหมจ๊ะไปคิดดูว่าแล้วโกรธจัดเคยมีไหมต้องมีทุกคนนวลานี้ไปอยู่ไหนอ่ะความรักความชอบใจต่าง แต่ก่อนเก่ามีไหมแต่ก่อนบอกว่ามีแต่เวลานี้ไปอยู่ไหนมันเกิดขึ้นมันก็หายไปเองมันเกิดขึ้นมาก็ดับไปเองเจ้าท่านเห็ว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปให้รู้เท่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ว่าจริงอะไรเกิดขึ้นมาต้องดับไป จึงไม่เป็นเหตุให้ยึดให้ถือนั้นไงผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาทั้งเหตุทั้งทั้งความยึดความถือเหตุที่มันเกิดขึ้นเหตุที่มันจะดับไปให้พิจารณาอย่างให้เรียกว่าพิจารณาธรรมะเป็น ที่เป็นมนณฑิตทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นผู้ที่เป็นมณดิตทั้งหลายต้องรู้เหตุรู้ผลอย่างนั้นมีทางที่จะดับป็นใครไม่รู้เหตุรู้ผลดับไม่ปิดอะไรเกิดขึ้นมาจะยึดถือเพราะนันเรียกว่าไม่รู้จักพิจารณาทั้งเหตุทั้งผล เมันดับดับไปจักจากไหนล่ะมันดับไปจากใจกันได่นันตัวกลางกลางนะมันดับกระดับจากใจดับอันที่ใจกันนี้ที่กลางนั่นแหละเมันเกิดเกิดก็ดีใจตรงกลางกลางบางครัดขึ้นมากระดับไปบางครั้งขึ้นมากระดับไปถ้ามีอะไรเป็นสาเหตุทำยังไงอีก มีสติทุกเมื่อคือเห็นคครงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามีสติควบคุมมันก็ดับเองถ้ามีสติรู้เท่ารู้ดังมันมันก็ปรุงแต่งไปสติความรู้สติรู้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่รู้สึกสัมปชัญญะรู้ตัว สติความลึกได้ทั้งปัญญาควารู้ตัวรู้ตัวคือมีปัญญาสติจะลึกได้ทัมงปัญญารู้ตัวรู้ตัวตัวปัญญาอยากแคหาปัญญามีปัญญาแล้วก็จมารู้ตัวรู้ลึกได้ในที่ใดรู้ตัวในในขณะนั้นในขณะนั้นแลึกในขณะที่เราลึกได้นั้น วเวลานี้เราโกรธเวลานี้เรากรโกรธคนรู้ตัวโกรธนะมันหายไปแล้วโกรธเดียกเรามีปัญญามเนจึงหายไปถ้ า, ามไม่มีปัญญาเพียงเดียวโกรธไปยึดติดคมโกรธโดยไม่ไม่รู้ตัวโดยไม่มีปัญญายิ่งโกรธใหญ่ ฮลูตัวเราหายทันทีแต่ให้มีสติอินเนี่็นเครื่องอยู่ให้จะปฏิบัติพรทัดที่ไหนเอาเถอะนอกสตินอกจกตติสัพยาแล้วไม่มีอะไรหรอกนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรเลยการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าเนี่ยมีสติทุกเมือ่อให้มีสติพาสติเท่านั้นเผลอเวลาใดความหลงโมเมาเกิดขึ้นมาหลงคือไปรู้ตัวนั่นเองคือมีปัญญานั่นเองฌานปัญญารู้ตัวนั่นหายวัตดของเลยไม่มีหรอกมาแล้วอธิบายจะนี ให้พิจารณาอย่างอธิปาให้ฟังทุกๆคนหนึ่งพากันเคยเป็นสาวสวนสาวนามาแล้วเคยปลูกมงาฟักของแชงมาแล้วลหละเบี่ยมันก็นปลูกต้นต้นฟักทองอ่ะเนี่ยทีแดกมันออกนิดเดียวต่อมันแพร่หลายไปน้อยชีพี ยึดถืออันนั้นแพร่หลายออกไปนั้นแล้วทั้งหมดที่เข้าถึงตัวกลางอันตัวใจกลางนั้นตัวต้นมันนั่นนะทั้งที่มันเกิดเม็ดในน้อยอนนะมันแพร่หลายออกไปแล้วมันก็รวมไปอีกเข้าไปสู่เม็ดทั้งหมดแล้วเม็ดวัตถุก็แพร่ออกไปอีกสาขาข่วงขวนเอ้าไป เมื่อเติบโตขึ้นมาแก่ขึ้นมาต้องการรวมไปอยู่ในเม็ดกันอีกอันเมทดอันนะ่เป็นที่รวมของพืชพันมนุษย์เราชาวโลกทั้งปวงมดมันเกิดจากมิดอันเดียวเหมือนกันนะั่นแหละคือเกิดจากใจที่มันจะแพร่หลายมัก็เกิดจากใจที่มันจะดับกระดับตรงใจให้พมาเปรียบเทียบอย่างนั้น เอาแล้วดีไป